ภิกษุสั่ง118ที่ชื่อว่าภิกษุผู้สั่งได้แก่ภิกษุสั่งกำหนดลักษัพว่าท่านจงลักษั์อันนี้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุรับคำสั่งลักษั์นั้นมาได้ต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูป